38. วิธีปฏิบัติธรรมในาศาสนาพุทธที่เรียกว่าวิพัชวิธีวงเล็บเปิดสิบเก้ามีนาคมห้าอห้าสิสองในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดการภาวนาไม่ได้ทำไปเพื่อเอาดีเอาสุขเอาสงบอะไรหรอกภาวนาเพื่อหัดรู้สภาวะสภาวะมีสองอันคือรูปธรรมกับนามธรรมเราภาวนาเพื่อให้เห็นว่าตัวเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าในเครื่องหมายคาพูดตัวเรา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 สภาวะทั้งหลายมันกระจุกตัวรวมตัวเข้ามาเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราขึ้นมาวิธีปฏิบัติธรรมในาศาสนาพุทธเรียกว่าในเครื่องหมายคำพูดวิพัชวิธีคือปฏิบัติแบบจำแนกแยกแยะสิ่งที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนคิดว่ามีตัวตนอยู่จริงๆพอจับมันแยกเป็นส่วนๆเป็นสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างจะพบว่าไม่มีตัวตน สมัยโบราณท่านเปรียบเหมือนเกวียนสมัยนี้ต้องเปรียบกับรถยนต์เวลาเรามองรถยนต์เราก็มองในองค์รวมวัตถุหลายอย่างมารวมกันมีอะไหล่จนวนมากเป็นพันๆชิ้นมารวมกันเข้ามาเราก็สำคัญมั่นหมายว่ามีรถยนต์จริงๆพอเราอยากดูว่าตัวรถยนต์จริงๆอยู่ตรงไหนเราก็จับมาแยกดูถอดล้อออกไปล้อก็ไม่ใช่รถยนต์แล้วเห็นไหมเอาประตูออกไปเอาเบาะออกไปนี่แยกทีละส่วนเบาะก็ไม่ใช่รถยนต์ ประตูก็ไม่ใช่รถยนต์แยกไปเรื่อยๆพบว่าไม่มีรถยนต์สิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี่ก็เหมือนกันจับแยกออกไปเป็นส่วนๆร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นธรรมชาติรู้อยู่ส่วนหนึ่งพอแยกออกไปแต่ละอันแต่ละอันจะไม่มีตัวเรานี่ภาวนาไปก็คือหัดดูสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวไปแยกย่อยไปเรื่อยไม่ได้จงใจแยก แต่เป็นการหัดรู้สภาวะที่กำลังเกิดขึ้นสดสดร้อนๆนั่นแหละหัดรู้มันไปเรื่อยแล้วสภาวะทั้งหลายมันจะสอนให้เราเห็นว่าไม่มีตัวเรานี่เฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้เรื่อยไปวันหนึ่งจิตจะยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีผู้ใดที่จิตยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีจะได้เป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันความทุกข์จะหายไปเยอะเลยหายไปหลายสิบเปอร์เซ็นเลยไม่ใช่หายหนึ่งในสี่หายไปเยอะมากเลย แต่ขั้นสูงขึ้นไปความทุกข์มันลดลงไม่มากเพราะมันไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่แล้วขั้นต้นจะเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเลยเวลาเราดูพระอริยนะพระโสดาบันนี่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากจากปุถุชนเป็นพระโสดาบันนี่เปลี่ยนมากอีกช่วงหนึ่งที่เปลี่ยนมากคือตอนจากพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์นี่เปลี่ยนมากสองช่วงนี้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติจะกลับหน้ามือเป็นหลังมือเลย